นะโมตัสสะกาวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกาวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอกาสต่อไปนี้ จะได้นมธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จตสมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้ามากล่าวันระยายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังแต่ความจริงการศึกษาธรรมะรละการฟังธรรมะนั้น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 ที่เราจะละกิเลสด้วยเจตนาเกี่ยวความตั้งใจกิเลสบางอย่างเราละได้ด้วยความตั้งใจที่จะละเช่นกิเลสส่วนหยบาบๆที่เป็นไปในทางกายทางวาจาอันนี้เราตั้งใจละได้เช่นอย่างศีลห้าที่ท่านสมาทานมาแล้วเมื่อสักครู่นี้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 บางทีอาจจะมีการขาดตกบกพร่องแต่เราก็ตั้งใจไปภาคพียนพยายามที่จะละเคืออาสัยความภาคพียนพยายามที่จะละบ่อยๆละให้มากๆเป็นการฝึกขัดนิตรใสของเราให้เคยชินต่อการละกิเลสส่วนนี้เมื่อหนักๆเข้า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 เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้สึกสำนึกกิดชอบชั่วดีจนกลายเป็นอุปนิสัยที่แท้จริงฝังแน่นอยู่ในจิตของเราดังนั้นหลักการละความชั่วประเพิกความดีในขั้นศีลธรรมซึ่งเป็นไปโดยความตั้งใจนั้น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 มาเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาหรือเป็นอารมณ์ที่เจรณาเพื่อเป็นอุบายให้เราได้ภะละเกิ อ, อินทรีย์ศรัทธาภะละทำให้เราเกิดศรัทธาในการที่จะประพฤติปฏิบัติวิริยะภละทำให้เราเกิดความภาเกเพียนในการปฏิบัติ สติพละความตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาธิพละความมั่นคงในการที่จะปฏิบัติและปัญญาภละความรอดรู้ภายในดวงจิตซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่นักปฏิบัติจะพึงอบรมให้เกิดให้มีขึ้น ดังนั้นการบำเพ็ญสมาธิโดยหลักความเป็นจริงแล้วเรามุ่งที่จะให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลำดับจนกระทั่งได้ปรลุชานคือทุ ป, ปัถมชาญทุติยชาญตติยชาญและจะจุดธชาญ ซึ่งเป็นเพื่อนฐานเบื้องต้นทำให้จิตได้สมถะเพราะสมถะกรรมาฐานหรือสมถะจิตนั้นเป็นเพื่อนฐานให้เกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมาธินี้จึเงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องตั้งใจบำเพ็ญกันอย่างจริงจัง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 แม้แต่บริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธหรือยุกหนอปองหนอก็ตามแต่หรือจะเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องพิจารณาของจิตก็ได้ทั้งนั้นบริกรรมภาวนาก็ดีหรือการพิจารณาอะไรก็ดีจุดมุ่งหมายก็เพื่อมุ่งให้จิตมีสมาธิ และเป็นการอบรมสติให้สตินั้นกลายเป็นมหาสติปัฏฐานเมื่อจิตได้กลายเป็นมหาสติปัฏฐานแล้วสติประกอบ ก, บกับจิตจะกลายเป็นตัวผู้รู้ผู้รู้ซึ่งในนามว่าพุทธะเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติ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 เยินภาวนาพุโทโธก็ได้นอนภาวนาพุโทโธก็ได้เย็นเดินนั่งนอนกินดื่มทมพูดคิดทำสติกรรมหนดจิตเล็กพุโทโธไว้ในใจเอาพุโทโธเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติจนสามารถทำจิตให้จดจ้องอยู่กับคาว่าพุโทโธ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 คำว่าพุโทโธนั้นจะหายไปในเมื่อพุโทโธหายไปแล้วจิตของผู้ภาวนานั้นน้อมเข้าไปสู่ลมหายใจยเย็ดอารมหายใจเป็นเครื่องรู้เอารมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตามรู้ลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆ เพียงแต่รู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเจตก็จะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งผ่านอุปจาระสมาธิแล้วก็เข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเมื่อเจตเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าอัปปนาสมาธินั้นขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งว่า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 ในขั้นนี้ถึงแม้ว่าสติปัญญาอย่างอื่นจะไม่เกิดขึ้นในขณนะนั้นก็ตามแต่หากใครสามารถทำจิตให้บรรลุถึงความเป็นเช่นนี้ปล่อยเข้าจะเป็นฐานที่ให้เกิดสติเกิดสติสัมปชัญญะซึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ไมรู้สึกตัว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 ปฏิกิริยาที่จะพึงให้เกิดความยินดียินไล ย, ย่อมไม่มีเป็นแต่เพียงกิริยาสักว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปเมื่อเป็นแค่นั้นสติตัวผู้รู้มันก็จะตามทันความคิดของตัวเองตลอดไปถ้ายิ่งตามกำหนดู้ความคิดนี้ถ้าสติถ้าสติตามทันความคิด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 จิตให้หลงยิดถือสิ่งนั้นๆเข้ามันก็เกิดเป็นตัวกิเลสถ้าเย็นดีก็เป็นปามมตตัญหาถ้าติดก็เป็นภาวะัญหาถ้าหากว่าเย็นร้ายก็เป็นวิภาวะัญหาถ้าจิตคิดแล้วมีสภาพปกติมีแต่ความเป็นปกติเป็นหนึ่งไม่เยอดไม่หลง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 หรือพิจารณาอะไรก็ตามเรียกว่านั่งสมาธิถ้าการกำหนดจิตหรือบริกรรมภาวนาพิจารณาอะไรในท่ายันเดินเรียกว่าเดินจงกรมถ้ากำหนดจิตพิจารณาหรือบริกรรมภาวนาในท่ายืนเรียกว่ายืนไม่เรียกว่าเดินไม่ เ, เรียกว่ายืนสมาธิยืยนทำสมาธิ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 จิตของเราอยู่กับบริกรรมภาวนานั่นหรือเปล่าเราก็เป็นอุบายที่จะทำให้จิตมีสมาธิดังนั้นณ <c oughs> นะโอกาสต่อไปนี้ขอทุกท่านได้โปรดกาหนดจิตทำสมาธิตามแบบฉบับ <c oughs>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 ไม่ให้เกิดมีอาการของกิเลสขึ้นนี่หรือให้หมดกิเลสเป็นที่สุดอันนี้คือจุดมุ่งหมายเร <c oughs> าจะนั้นต่อ น, นี้ไปขอทุกๆ ท, ท่านจงทำสมาธิและอาตมาผู้พูดก็จะทำสมาธิเช่นเดียวกัน